เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนจิตใจให้สงบจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เองการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมมากมายหลายประการจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ความสงบใจจากกิเลสปากประธรรมไปโดยลำดับจนกลัวว่าจาละกิเลสขาดจากสันดานให้หมดสิ้นไปจุดมุ่งหมาย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกมีอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าการละกิเลสนี่มันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีกับอินทรีย์อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเองเนี่ยถ้าว่าไม่ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีแล้วทุกคนมันก็ละกิเลสกันได้หมดแล้ว ผู้สนใจในพุทธศาสนานี้นะทั้งที่มานับถือพุทธศาสน า, าอยู่กิเลสก็ยังมีอยู่อย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็นั่นแหะก็อย่างที่ว่านั่นนะเพราะว่าบุญบรารมียังไม่มากพออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเหมือนอย่างการเข้าไปสู่เนรุ ของพวกทหารตำรวจนั่นแหละถ้าหากว่าทหารนั่นนะมีกระสุนน้อยอย่างนี้นะเมื่อไปยิงต่อสู้กับข้าศึกไปกระสุนหมดแล้วอย่างนี้นะมั่นก็จาเป็นต้องได้ถอยร่นนะเพราะว่ากระสุนหมดแล้วไม่มีอะไรจะสู้กับข้าศึกแล้วนี่ ก็จะเอาชนะค่าศึกนั่นไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นการที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะผู้เจริญสมถะวิปัสสนานี่ที่มันก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะว่าอินทรีย์บารมีเขาสนยังอ่อนอยู่คันเมื่อทำความเพียรเข้าไปจะเอาชนะกิเลสเข้าไปอย่างนี้ เอากิเลสมันก็เกิดมีกำลังเหนือกว่าซะผากดันเอาจิตใจกระเด็นออกไปจิตใจอ่อนพับไปสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องถอยหลังก็หเหมือนอย่างทหารที่ว่า เ, เมื่อสเสบียงกลางหรือว่ากระสุนหมดก็ต้องได้ถอยจากค่าศึกไปไปสู้เขาไม่ได้ ไปสะสมสเสบียงกลางไปสะสมลูกปืนให้เพียงพอซะก่อนแล้วก็จึงค่อยยกทัพไปสู้ใหม่อีกอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยการที่บุคคลได้เมื่อรู้ตัวนะว่าตนจะพูดกันอย่างง่ายๆว่าตนภาวนายังไม่เป็นอย่างนี้นะยังทําใจสงบไม่ได้หรือยังไม่มีปัญญา ที่จะรู้แจ้งธรรมของจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็ไม่ต้องย่อท้อถอยหลังก็ต้องพยายามกระทำกุศลคุณงามคนณดีอย่างอื่นให้มากเข้าไปเป็นต้นว่าให้ทานอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ก็พยายามสารวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้ แล้วก็ประพฤติกุศลกรรมอย่างอื่นๆประกอบเข้าไปเรื่อยแล้วก็สำรวมอินทรีย์เข้าไปด้วยแต่ละวันแต่ละคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำธุรกิจการงานใดๆก็มีสติสประเญะสำรวมตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้าย ในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นที่มากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะ <c oughs> ก็พยายามมีสติหากข้ามจิตใจไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปไม่ให้มันหลงโกรธเกลียดขึ้นมาในใจพ <c oughs> ยายามมีสติสมัมปชัญญะข่มใจไว้ถ้ามันจะลุกขึ้นก็ดีอย่าให้มันกำเริบขึ้นมา มูนีนาะเดียกวก็เราพยายามอบรมอินทรีย์แก่กล้าเศษสัตว์ทินซีความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ให้เข้มแข็งขึ้นเชื่อมั่นว่าเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราต้องเอาชนะกิเลสนี้ได้วันหนึ่งให้ได้เลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ก็ภาคเพียรไม่ยามไป เ, เพียนไปคราวนี้สู้มันไม่ได้ก็อย่าเพิ่งถอยหลังอย่าเพิ่งยุติก่อนเอาได้โอกาสก็ตั้งสติทำความเพียนไปใหม่สํารวมจิตเข้าไป <c oughs> อดทนเข้าไปนี่เมื่อเราภาคเพียนพยายามอยู่ยนี่ไม่ท้อไม่ถอยมันต้องได้ช่องวันหนึ่งให้ได้ คืออันจะสามารถทําจิตให้สงบลงไปวันหนึ่งให้ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นแต่นี่ถ้าคนใดนะเห็นว่าตนทําความเพียรภาวนาเข้าไปละสู้กิเลสไม่ได้จิตใจสงบลงไม่ได้แล้วไม่ทําต่อไปซะหรือว่านานๆานยิ่งไปทำสักทีหนึ่งอย่างเนี้มันจะไปสู้อํานาจกิเลสได้ยังไงอ่ะอนั่นเลย เมื่อถอยหลังแล้วในกิเลสมันก็ยิ่งครอบเงาเข้าไปเรื่อยๆอมันก็ยกจิดยกใจไม่ขึ้นแล้วแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอยหลังอ่ะเอาถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้ตั้งใจทําสู้ไหมเมื่อตั้งใจได้แล้วก็สู้มันไปไหมเอาอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาอยู่นั่นกิเลสมัน ควรใจให้คิดให้ปรุงให้แตง่งเอาเราก็รู้ตัวให้รู้ว่าขณะ น, นี้กิเลสมันปั่นใจให้คิดให้พุ่งออกไปข้างนอกอรู้ตัวเราก็รู้ได้ด้วยสตินั่นแหละเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นแล้วเอาสักกดจิตเข้าไปอธิษฐานจิตเข้าไปนี่คืออํานาจของกิเลสบัดนี้เราจักไม่ตามกิเลสแล้ว เราจะไม่คิดไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้เมื่อที่ฐานใจเข้าไปอย่างนี้เราก็สะกดจิตไว้ไม่ให้มันคิดเลยอดกั้นเข้าไปนั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าขันติตะโปตะปะสีโนขันติคือความอดทนนั่นเป็นตะปะเครื่องแผดเผากิเลสให้ ร, ร้อนให้เหี่ยวแห้งไป เราก็มาเชื่อพระพุทธภาส์ข้อนี้ซี่เราไม่มีปัญญาสามารถที่จะถอนรากมันได้ก่อนอย่นี้เราก็อาศัยขันติความอดทนนี่แหละเป็นตปะปรรมเผาเอาเลยแบบนี้น ะ, ะไม่ต้องมีวิธีรีทองอะไรอดอย่างเดียวมันชอบคิดส่งออกไปข้างนอกโดยความยินดียินร้ายบัดนี้เราจักไม่คิด เราจะอดคิดอย่างนี้นะพอตั้งสัจจะลงไปนี่ก็อดกั้นแล้วไม่คิดแล้วเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีกิเลสตัณหาใดใดก็ดมีมันมีใจเป็นใหญ่มันมีใจถึงก่อนทางนั้นถ้าใจไม่คิดแล้วมันมีไม่ได้เลยกิเลสก็ดีก็ให้เข้าใจหลักนี้อีก มันสําคัญอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้นี่นะนั่นแหละมันจึงได้สร้างกิเลสขึ้นมาถ้าว่าตนมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ทุกเวลามีความอดกั้นอยู่ในใจเสมออถ้ามันเผลอคิดว่ามันจะคิดปรุงแต่งในทางกิเลสขึ้นมาแล้วก็อดกัน้นต่อไปไม่คิดมัน อย่างนี้นะทําไปบ่อยๆเข้าไปความอดมันก็มีกําลังกล้าขึ้นสติมันก็มีกําลังกล้าขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็รู้ตัวที่เข้าไปโดยลาบับเลยอ่ะคือรู้ว่าขณะนี้จิตเราปลอดจากความรักความชังอย่างนี้นะปลอดจากความหลงความเมาก็รู้อย่างงี้นะนี่เรียก ว, ว่าสัมปชัญญะนะมันรู้ตัวนะหรือว่า ขณะนี้จิตเรายัางวันไหวไปตามอำนาจแห่งความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้ก็รู้นี่อันนี้แหละเป็นเทศที่จะให้เราละกิเลสได้นะเพราะเพราะกําหนดรู้นี่นะเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะบุญกุศลเรืองความดีคุณธรรมต่างๆก็ดีเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจได้อย่างไรเล่านี่ เช่นอย่างว่ารู้ว่าขณะ น, นี้จิตเราอ่อนแอเพราะขาดความอดทนอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เพิ่มความอดทนเข้านี่ตั้งความอดลงไปนั่นคันดีธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วแบบนี้อมันเป็นอย่างนั้นเออนี่ในขณะนี้นะจิตเรานี่มันปราศจากหิริโอ ต, ตปะธรรม มันไม่ละอายในการทำชั่วพูดชั่วมันไม่กลัวผลแห่งความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกขนะ์นะนี่มันมันขาดคุณธรรมสองอย่างนี้มันจึงไม่ละอายแก่ใจในการทาชั่วอย่างนี้เอา้าก็สอนใจให้เกิดความละอายขึ้ น, นสอนใจนี้ให้เกิดความกลัวขึ้น ความชั่วนี่มันจะนำตัวไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนน้นนะไม่กลัวทุกข์เหลือนรกนั่น่ะมีจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่นามาสั่งสอนนี่เราก็ต้องสอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปเมื่อมันทำท่าว่าจะไม่เชื่อว่านารกมีจริงอ่ะเราก็ต้องสอนใจนี้ให้มันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อมันมันเชื่อตามปัญญาตัสรูของพิจ้าจริงๆแล้วมันก็เกิดความกลัวต่อความทุกข์ขึ้นมาแล้วใจนี่นะมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันกลัวที่จะไปสู่ทุกข์เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิแล้วมันก็หยุดในความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆอะไรแบนี้หมายความว่าพูดรวมๆกันเรียกว่ามันหยุดคิดไปในความโลภ ในความคิดเพ่งเลงไปอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันก็เป็นบาปอันหนึ่งมันหยุดคิดไม่กโกรธไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทจองเวรใครเพราะความกโกรธก็ดีความผูกโกรธก็ดีความพยาบาทจองเวรก็ดีเหล่านี้ล้วนจะเป็นอคุศสนทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะนำบุคคลผู้นั้นไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อไม่ละ อ, อย่างนี้เหละก็ก็ต้องก็ต้องเตือนตนให้รู้ตัวอย่างนี้นะให้เห็นโทษของความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทอย่างนี้นะให้มันเห็นโทษด้วยตนเองเลยถ้ามันไม่เห็นโทษแล้วมันก็จะโกรธอยู่อย่างนั้นแหละลองคิดดูทุกคนสังเกตตัวเองต้องรู้ได้เลย น, นั่นนหะ ผู้ดใดได้ปฏิบัติมาเช่นได้บรรเทาความโกโรธมาก็รู้ตัวได้เลยก็เพราะเราไม่ยึดถืออมเมื่อมันโกโรธขึ้นมาแล้วก็กําหนดใจละมันไม่ยึดถือมันไว้ต่อไปอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ไ ด, มไมได้มันจึงไม่ได้ไปสร้างความมายาบาดขึ้นมาแม้ใครจะทําความไม่ดีกระทบกระทั่งกับเรามาแต่ก่อนเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยไม่ผูกใจเจ็บไว้เลย ไม่คิดที่จะแก้แค้นเลยอย่างนี้นะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ละบาปออกจากกิจใจได้ถ้าว่าไม่สอนใจให้ละความโกรธเหล่านี้ยังยึดมั่นอยู่ไว้แล้วก็เท่ากับว่ายึดเอาบาปไว้ในตัวนั่นเองเลยให้เข้าใจเอาบัดนี้ก็ความคิดหลงคิดเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสารประโยชน์ต่างๆ ก็ดีความเห็นผิดไปต่างๆหมู่นี้นะออันเรื่องหมู่นี้มันล้วนจะเป็นบ่อเกิดแห่งบาปอากุศลทั้งนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องอันกิเลสเหล่านี้ก่อนอย่างนี้นะให้มันรู้พิษภัยของกิเลสเหล่านี้มันเป็นยังไงอะ่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ละอย่างนี้นะเราต้องเอามาตีแผดูในใจหัน เอาความหลงมันมีลักษณะอย่างไงอะ่ะเมื่อเมื่อจิตมันหลงแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะนี่นะต้องเอามาวินิฉัยดูซะก่อนอ๋อเมื่อมันหลงแล้วไอ้ถ้าพูดถึงไออารมณ์ที่ละเอียดเข้าไปเมื่อมันหลงแล้วเมื่ออารมณ์ได้กระทบกระทั่งเข้ามามันกหหน็หลงยินดีหลงยินร่ายไปมันคิดไปในใจเฉยแต่มันไม่ได้ แสดงออกทางกายวาจาอืมนี่เรียกว่ามันหลงไปอย่างละเอียดอันนี้นะทีนี้เมื่อมันหลงอย่างหยาบนะก็เมื่อมันยินดียินร้ายในใจรุนแรงเข้าไปแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาไปแล้ววันนี้นะถ้ามันยินดีมากๆอ๋ อ, อมันก็แสวงหาสิ่งที่ตนชอบใจนั่นแหละอ่าเข้าไปมันจะเป็นบาปเป็นโทษยัยงไงก็ช่าง ขอให้ได้สิ่งที่ตนต้องการก็แล้วกันออถ้ามันยินร้ายแรงแรงขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงบทบาดเบียดเบียนผู้อื่นตอบโต้แก้แค้นกันไปออมันก็เลยกลายเป็นบาปเป็นอคศลไปนี่มันก็มันก็เกี่ยวเนื่องมาแต่ความหลงนั่นเองเนะี่ยความไม่รู้เนะี่ยระลึกไม่ได้เลยระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้ วินิจใช้เรื่องนั้นไม่ได้ว่าความคิดอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษมันนำทุกข์มาให้นี่มันคิดไม่ได้เลยนั่นแหละีเรียกว่ามันหลงนะให้พานเข้าใจถ้ามันรู้อย่างนี้หมายความว่าเมื่อเราภาวนาลงไปทาใจสงบแล้ววันนี้ก็ประมวลเรื่องกิเลสต่างๆเหล่านี้มาวินิจใช้ให้มันเห็นโทษของมันจริงๆเลย เอาละ ว, วันนี้ให้มเห็นโทษเห็นความบกพร่องทําไมมันจึงหลงหลังเนี่ยถามตัวเองสินั่นมันหลงก็เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะสติไม่ได้อยู่กับกายกับใจสติระลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นมากต่อมากนี่แหละมันถึงได้หลงหลงความคิดหลงความนึกของตัวเองหลงยินดียินร้ายไปตามความคิดความนึกของตัวเอง อย่างนี้นะอ๋อมูลเหตุมันมาจากนี้ที่มันหลงหวางกันเอาละถ้าอย่างนั้นต่อไปเราทีตั้งสติไว้ที่กายที่ใจนี่อย่างที่เทศมาแล้วนั่นแหละฐานที่ตั้งของสติ菩萨ทดาก็ทรงสอนไว้แล้วนี้อืมตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมณคือความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้น นี่เรามันสติของเรามันไม่ได้ประจําอยู่นี้สาเหตุที่มันจะหลงเมื่อเรารู้จุดมันอย่างนี้แล้วมันก็เห็นมองเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติแล้วบันนี้นะอะต่อจากนั้นไปก็มีสติกํากับอยู่ในฐานเรื่องสี่เนี่ยพยายามมากําหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่อันเป็นส่วนยามยาดนีิก่อนอื่นเลยออื ให้มาเห็นแจ้งของร่างกายตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นความจริงนะเราพิจารณามาบ่อยๆอยู่แล้วร่างกายนี่นะมันมันมีความรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อมันเผลอสติแล้วมันก็หลงไปหลงไปสาคัญว่ากายเราขึ้นมาอย่างนี้นะดังนั้นเราพระ อ, องค์เคียงสอนให้ตั้งสติกำหนดอยู่ที่กายนี้ให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยพูดกันอย่างง่ายๆเป็นอย่างนี้แหละ ให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนานี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่นะอะไม่ใช่ของเราอย่างนี้แหละไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาสุขเอาทุกข์อันนั้นมาเลยเป็นอารมณ์อะไรแบบนี้นะมันก็ไม่เสียใจดีใจกับสุขกับทุกข์นั่นแหล ะ, ะตั้งสติไปที่จิตนั้นอย่างนี้นะ ก็เมื่อเราตั้งสติไว้ที่จิตนี่ไอ้จิตนี่มันมันมันหลงน้อยที่สุดในขณะที่มันมีสติอยู่นะมันไม่หลงอะไรอะ่ะเนี่ยแต่ว่าสตินั่นก็ต้องไปเตือนจิตให้รู้ว่าไอ้จิตนี่ก็แปลว่าแต่จิตนะไม่ใช่ตัวตนของเรานาะไม่ใช่จิตของเราถ้าว่าจิตของเรานมันก็มีสองซี่มันก็มีสภาพที่รับรู้รับยอมรับว่า จิตเป็นของเราอี ก, อกผู้หนึ่งนะนั่นลองคิดดูอ่าที่จริงแท้มันไม่มีตัวเองหากสมมุติว่าจิตเป็นของตัวเองออยู่อย่างงั้นแหละสําคัญในะเรื่องจิตเนี่ยพิจารณาให้มันดีเพราะว่าเมื่อมันรับรู้อารมณ์อะไรแล้วมันหลงแล้วมันก็ไม่ไมไมไมรักก็ชังไม่โลภ ก, ก็โกรธแหละนี่นะถ้าหากว่าเรา เอาสติเข้ามาเพ่งดูจิตนี่ให้เห็นว่าจิตนี่มันไม่มีตัวตนอะไรเป็นสภาวะธาตุธาตรู้เท่านั้นเองธาตรู้ธาตคิดเท่านั้นแหละความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยอย่างนี้ความรู้มันก็เป็นธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นเองนะมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยถ้าหากว่าไม่หลงนะ ถ้าไม่หลงไม่ปรุงไม่แต่งเรื่องไม่ดีไม่งานต่างขึ้นมาแล้วความรู้อันนั้นมันก็เป็นทรมาธาตรู้อยู่เท่านั้นเองไมันไม่มีอะไรอ่ะนี่แหละมันเอาสติเข้าไปเพ่งดูจิตนี่นะที่มันเป็นตัวปัญหาใหญ่อ่ะอยู่นี่นะให้มันเจมแจ้งในใจเลยให้มันเกิดงานความรู้ขึ้นมาหนูหนาะอื รู้ชัดว่าจิตนี่ก็แปลว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยถ้าว่ามันรู้แจ้งอยู่อย่างนี้นะใครด่ามามันก็ไม่โกรธอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละใครเยินยอสรรเสริญมาก็ไม่เพลินไม่หลงไม่เมาเลยนั่นแหละ อ, อ ก, กว่ากมันเมายัางไงล่ะก็จิตนี่มันมีดวงเดียวเท่านี้มันไม่มีเขามีเราอะไรมีสภาพมีทารู้เท่านี้หนึ่งนะ อันที่มันมีเขามีเราอยู่นั้นก็เพราะว่ามันไม่รู้แจ้งอย่างนี้เรื่องมันนะมันรู้ไปอีกอย่างหนึ่งมันรู้ว่ามีเราว่าจิตเราอย่างนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้อันมันไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วที่กระทบกระทั่งมาให้พากันใส่ใจเรื่องจิตนี้ให้มากๆทีเดียวการปฏิบัติธรรมอ่าอย่าไปหลงจิตอย่าไปลืมจิตนี้ให้หัดสตินี่ และลึกเข้าไปหาจิตนี้บ่อยๆและลึกเข้าไปแล้วให้ากาหนดรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละให้มันรู้ว่าไม่ใช่จิตเราไม่ใช่จิตเขาจิตเขาก็ไม่มีจิตเราก็ไม่มีมีแต่ท่ารู้เท่านี้แหละเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้นะมันเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้เสมอเมื่อความรู้อันนี้มันเด่นขึ้นตั้ง อยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็เข้มแข็งได้แบนี้นะอตั้งมั่นคําสรรเสริญนินทาอะไรกระทบกระทั่งมามยมันไม่ได้ตื่นเต้นหรอกไม่ได้วอนไหวอ่าเพราะมันมันรู้มันรู้ทันทีเลยว่าือเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราหรอกเราไม่มีอยู่ในนี้เลยสักหน่อยเดียวนี่ก็เมื่อมันนึกได้อย่างนี้มันเตือนทนได้อย่างนี้มันจะไปโกรธอะไรแล้วมันไม่มีเขาเราอะไรจะให้โกรธนี่จะให้รักให้ชังอะไรเลยะ อยากพูดย้ำแล้วย้ำอีกเลยเพราะบ่าคนเราไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องสําคัญสําคัญนะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอ่มักจะไปใส่ใจแต่เรื่องอื่นนูน่น อ, อใส่ใจแต่เรื่องกินกินทานทานกราบกราบไหว้ไห้อะไรทํานองนั้นแหละเนี่ยวันนี้ไอ้เรื่องจิตที่เป็นตัวหัวจักสําคัญนี่นะไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเลยการปฏิบัติธรรมนะสิ่งใดที่ควรละก็ยังละไม่ได้ละได้ก็เพียงนิดนิดหน่อยๆน่อยอย่างนี้นะเช่นความโลภนี่ควรละให้มันเบาบางออกไปที่สุดอย่างนี้นะก็ยังให้เบาบางเต็มที่ไม่ได้ได้กับนิดๆหน่อยๆน่อยอย่างนี้นะความโกรธอย่างนี้นะ ควรตัดทอนมันให้มันน้อยเข้าไปเรื่อยๆทีเดียวจนกลัวมันจะหมดสิ้นนี่แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะตัดทอนให้มันน้อยลงอย่างนี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท น, นั่นแหละเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในจิตตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันไปหลงว่าจิตเราอยู่เนี่ยมันก็สะสมเอาอะไรต่ออะไรไปไว้ในนั้นแหละตนชอบใจสิ่งใดมันก็สะสมเอา ไ, า ไ, ไว้อ่สะส ชอบความโกรธมันก็สะสมความโกรธเอาไว้ชอบความโลภมันก็สะสมความโลภเอาไว้อย่างนี้เลยชอบความหลงความเมาเอาความเพลิดเพลินสนุกสนานร้องราทําเพลงดีดสีตีเปาดื่มเหล้าเมาสุราอคนมีนิสัยชอบทะเลาะวิวาดกับเพื่อนก็เอาเมาหาแต่เรื่องที่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นล่าไป อยู่ไม่เป็นสุขถ้าได้ทะเลาะกับเพื่อนแล้วสบายใจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะอย่างนีนะ้เรียกว่ามันหลงมันเมามันสำคัญว่าจิตเรานี่นะนี่แหละดังนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายให้เพ่งจิตนี้ให้มากๆให้มันเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยบางคนก็อาจจะว่า อา้าวถ้าไม่มีเรามีเขาเนี่จะไปทําบุญกุศลทําไมอะ่ะจะมาฝึกตนเอาวิมานอะไรล่ะก็ปล่อยตามเรื่องมันแล้วมันจะไม่ดีเหรอนี่มันมันมีมีเรื่องที่จะพูดได้ง่ายง่ยอย่างว่า น, นั้นเนี่เพราะฉะนั้นจึงจะขอถแถลงไว้ในที่นี้เลยแหละไอ้ถ้ามีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมานะความเห็นเช่นนั้นท่านเดียก ว, ว่าเห็นไปตามยถากรรม เห็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเรียกว่าปล่อยตนให้กิเลสตัณหามันจูงไปเอาตามประสงค์เลยมันจะจูงไปพาสู่ทุกข์ก็ไปเสวยทุกข์มันจูงไปทําสู่สุขก็ไปสุขแล้วแต่มันจะจูงไปทางไหนนี่ถ้าพูดขึ้นมาเช่นนั้นอีกหนึ่งก็เท่ากับว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์แหละ ไม่มีบุญบาปอะไรที่บุคคลทำในโลกนี้มันจะตามสนองให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไปเลยนั่นความเห็นมันไปข้างอุดเฉตสาธิตถไปนูน่นอันนั้นก็ผิดทางอีกเพราะว่ามันไม่ได้สูญอย่างที่คนผู้หลงแล้วเข้าใจนั้นในเมื่อตัณหามันยังมีอยู่นะมันไม่สูญเมื่อความอยากของใจนี่ยังมีอยู่นะมันไม่สู์เรื่องมนะัน <c oughs> เมื่อความอยากของใจนี้นะมันก็บรรดาลให้กายไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่บรรดาให้วาจาไปพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้วพอนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมาหรือพูดชัดๆก็ว่ามันก็กลายเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมาในใจนั้นบาปบุญนั้นมันก็ไปมันก็ไปแช่อยู่ที่ใจนั่นนะไม่ใช่ว่ามันดับไปนะ บุคคลทำดีทำชั่วด้วยกายวาจาแต่บาปบุญที่เกิดขึ้นนนั้เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายวาจานี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้บนันนี้บุญบาปที่มันตั้งอยู่มันหมกอยู่ที่ใจนั่นแหละเป็นชนะกากรรมนำจิตดวงนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญเ่เมื่อหมดกรรมเก่าที่ตนทามาแต่ก่อนลงไปแล้วก็เราก็เรียกว่าตาย แล้วกรรมใหม่ที่ทําไว้นี่นะมันก็เป็นเครื่องรองรับจิตดวงนี้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอีกเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะศูนย์ยังไงอ่ะต่อเมื่อละตัณหานี่ได้หมดสิ้นลงไปด้วยอานาจแห่งอริยมรรคนั่นแหละมันถึงจะไม่ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายแต่สํานวนในพุทธศาสนาท่านไม่ว่าศูนย์อืม ท่านว่าดับหรือว่านิพพานไปว่าดับนี่นะแต่สำนวนที่ว่าศูนย์ก็ห่างมีดอกที่ว่านิพพานังประมังศูนย์อย่างพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งนี่หมายความว่าเมื่อเมื่อจิตเนี่ยละอาสวะกิเลสหมดสิ้นลงไปแล้ววันนี้จิตก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้ว ในนิพพานนั้นศูนย์จากกิเลสตัณหาศูนย์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิสรรพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มีอยู่ในนิพพานนั้นเลยหมายความว่าอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างความเห็นของบางยมพวกที่ว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์นั้นศูนย์ไปโดยปัจเจกจากเหตุผลเลยมันศูนย์ไปเองมัน ทั้งที่ใจนั้นยังมีกิเลส โ, โกรธโกรธหลงเต็มตัวอยู่นี่มันก็ยังว่าศูนย์อยู่มันไม่ศูนย์เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจให้พึ่งพากันเข้าใจพุทธโอวาทศาสนาวินิจฉัยให้มันแจ่มแจ้งในใจของตนให้มันถูกตามหลักแห่งคําสอนของพระเจ้าเมื่อผูใ้ใดเข้าใจถูกต้องตามคําสอนอพระเจ้าอย่างนี้แล้ว ผูนั้นก็ปฏิบัติถูกเลาแบบ น, นี้นะทําอุบายแยบคลายในใจถูกต้องเลยครัก็เรียกว่าเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่ไม่นิงนอนใจอะ่ะกล่าวโดยบทสรุปอะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จได้ด้ว ย, วย ก, าการกระทะําอ่ะการละกิเลสอย่างนี้นะมันก็สําเร็จลงได้ด้วยการภาคเพียรพยายามบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดขึ้น มีกำลังแล้วมันก็ละกิเลสนั่นไปได้อ เ, เมื่อกิเลสดับไปอ น, นี่อกุศลมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสยังหุ่มห่อจิตอยู่บุญกุศลเกิดไม่ได้เอเช่นอย่างว่าเมื่อความโลภความตนียังมีอยู่ในใจบุคคลให้ทานไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อให้ทานไม่ได้บุญนั้นเกิดจากให้ทานนั้นมันก็มันก็เกิดไม่เกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยะ เส้นบุคคลเมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วความโกรธมันก็ไม่ดับไปเลยอ่าอย่างนี้แหละบุคคลก็ยังสร้างความชั่วด้วยความโกรธอยู่อย่างนั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เมื่อความโกรธมันดับลงไปอะ่ะเมตตาทำกรุณาทำเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละกุศลทำเกิดขึ้นในใจรู้เกิดขึ้นในใจแล้วความหลงก็ดับไปความรู้รู้จักละชั่วทำดีได้รู้จักธทำของจริง ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานต่างๆอันนั้นและเป็นกุศลอันยิ่งท่านเรวัลโกุตระกุศลดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้